นับเป็นบุญอย่างยิ่งของพวกเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแม้ไม่มีโอกาสพบองค์พระศาสดาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมและวินัยที่ทรงบัญญัติไว้คือศาสดาในการล่วงไปแห่งพระพุทธองค์การศึกษาธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้จึงเท่ากับ การได้พบองค์พระศ า, าสดาอาน o n ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วมันหยาดแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเราอานนท์พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีบมีตนเป็นสารณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยจงมีธรรมเป็นประทีบมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย ที่ท่านจะได้ฟังต่อจากนี้ไปเป็นการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าจำนวน40กว่าพระสูตรว่าให้ท่านได้ศึกษาและใคร้ครวญพิจารณาตามเนื้อความแห่งธรรมในพุทธวั จ, จนะทรรมวินัยจากพุทธโอดชุดเก้าย่างอย่างพุทธะคำอธิบายโดยพระอาจารย์คึกฤทิโสธิพโลวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบ อ่านพุทธวจนะโดยสันสณีนาคพงศ์เหตุที่ต้องมาศึกษาพุทธวจนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้ตรัสไว้ด้วยพระองค์เองว่าสุตตันตะเหล่าใด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 พุทธปรสงค์ของพระตถาคตนั้นต้องการให้เราทั้งหลายเนี่ยมาศึกษามาฟังเฉพาะคำของพระองค์เท่านั้นนะเพราะเหตุใดจะต้องมาฟังคำของพระองค์ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนเดียวในโลกนะที่เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องและความสามารถในการพูดของพระตถาคตนั้นไม่มีสาวกคนใดที่ทำได้เสมอเหมือนนั่นก็คือความสามารถ ในเรื่องของการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนะพระองค์ตรัสไว้กับอคิเวสนะว่าจาเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในโดยแทนะ้นั่นแสดงว่าพระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดเนี่ยไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คาเดียวและความสามารถในการพูด อย่างที่สองของพระองค์ก็คือว่าพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่านับแต่ลาตรีที่พระองค์ตรัสรู้จนกระทั่งถึงลาตรีที่พระองค์ปรนนิพานนั้นคำของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันได้ทั้งหมดเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยนะความสามารถด้านการพูดอย่างที่สมของพระตถาคตก็คือพระองค์เนี่ยพูดทีเดียวครั้งเดียวเป็นอากาลิโก คำพูดของพระองค์เป็นอักาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการไม่ต้องไปแก้ไขคําพูดใหม่ซึ่งความสามารถในเชิงการพูดตรงนี้ของพระตถาคตนั้นไม่มีสาวกคนใดที่มีความสามารถทำได้อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรซึ่งเป็นพร ะ, ะาราหันที่เลิศทางปัญญามีคราวนึงที่พระสารีบุตร เสนอพระพุทธเจ้าให้ศึกภิกษุที่ไปเข้ากับพระเทวทัตแล้วกลับมาอยู่กับพระเจ้าเหมือนเดิมให้ศึกแล้วก็บวชใหม่ทั้งหมดพระตถาคตบอกว่าสาลีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของภิกษุเหล่านั้นเลยให้ปรับอบัดทุลกใจนะพระสาลีบุตรเคยคิดไม่ถูกต้องเช่นคราวหนึ่งพระตถาคตเนี่ยไลภิกษุกลุ่มหนึ่งออกไป พระส่งเสียงดังต้องการมาฟังธรรมแล้วส่งเสียงดังก็เลยไล่ออกไปจากนั้นพระตถาคตก็ถามสารีบุตรว่าสารีบุตรขณะที่ต ถ, ถาคตไล่ภิกษุกลุ่มนั้นออกไปเนี่ยเธอคิดอย่างไรพระสารีบุตรบอกว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงขวรขวายน้อยต้องการประกอบสุขเวลาทมในทิฏฐธรรมข้าพระองค์ก็เลยขวนขวายน้อยบ้างพระตถาคตจึงบอกว่าสารีบุตรอย่าให้ความคิดนี้เกิดขึ้นกับเธออีก หันไปถามพระโมฆลลานะโมฆลลานะเธอคิดอย่างไรพระโมฆลลานะตอบว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขวนกายน้อยต้องการประกอบสุ ข, ขวิหาธ ร, รรมในทิฏฐธรรมข้าพระองค์และสารีบุตรจะช่วยกันสอนภิกษุต่ตอไปก็เลยบอกใช้ได้คิดอย่างนี้ใช่ได้นั่นแสดงว่าผู้ที่เป็นพระราหนแม้เลิศทางปัญญา มีความสามารถลองจากพระตถาคตลงไปที่พระตถาคตชมด้วยพระองค์เองก็ยังไม่สามารถที่จะทำความคิดหรือคำพูดให้ถูกต้องทั้งหมดได้นั่นคือพระศาสดาอรันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำคำพูดได้ไม่ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวนี่แหละพระองค์จึงบอกว่าให้พวกเราทั้งหลายเนี่ย มาศึกษาคําของพระองค์แล้วจะจัดเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดที่เรียกว่าปฏิบุตรชาวินีตาปริษาโนอุกาจิตวินีตาคือบริษัทที่ใช้เฉพาะคําตถาคตเท่านั้นในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติและพระองค์ยังตัดไว้อีกว่าในอนาคตการจะมีภิกษุเนี่ยไม่สนใจในคาของตถาคต แต่ไปสนใจในคําที่คนแต่งขึ้นใหม่หรือไปสนใจในคําของสาวกเวลาสาวกพูดหรือคําที่คนแต่งขึ้นใหม่พูดมากลับไปเงี่ยหูลงฟังกลับไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงกลับไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนคุณศึกษาเล่าเรียนแต่คําของตถาคตนั้นกลับไม่เงี่ยหูลงฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ด้วยการทำดังนี้เนี่ยจึงเปรียบเหมือนกับกลองศึกของกษัตริย์พวกทศรหาหัชื่ออนาคตกรองอนาคะนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกแต่กษัตริย์ทศรหาหัก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกตีไปอีกก็แตกอีกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปอีกทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้น ชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่เป็นความอันตรธานของครรมของตาตาคตซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยได้ตรัสบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าในการเวลาที่ผ่านไปในนาคเนี่ยถ้าภิกษุเนี่ยไม่สนใจคำตาตาคตแต่ไปสนใจคาของสาวกหรือคาที่คนแต่งใหม่ อันนั้นแหละพระสัตธรรมจะค่อยๆเสื่อมสู์ไปจากโลกพระองค์จึงบอกว่าคำของพระองค์นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าก่อนปรินิพานคำของพระองค์ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ผู้เจ้าจะไม่ยอมปรินิพานและพระองค์ก็ยังได้ตรัสไว้ในอปริหานิยธรรมข้อที่3คือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมถ้าทำอย่างนี้แล้วจะไม่เสื่อม คือพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าบัญญัติเพิ่มหรืออย่าตัดทอนในสิ่งที่พระตถาคตบัญญัติเอาไว้นีอย่าเติมอย่าตัดคําพระองค์นะการเติมการตัดมันเป็นเหตุเสื่อมและพระองค์ก็ฝากเตือนภิกษุทั้งหลายเอาไว้ว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย พระองค์บอกว่าความขาดศูนย์แห่งกลยานวัตนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรตรพวกสุดท้ายของเราเลยนั่นคือกายานวัตคืออริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4ี่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาทั้งหมดนั้นพระองค์ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาศึกษาในคําพูดของพระองค์ อย่าไปสนใจคำของคนอื่นเพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นสัพพัญญูพูดแล้วไม่มีผิดพลาดแม้แต่คำเดียวและการไม่ศึกษาคำของพระองค์จะเป็นเหตุให้ศาสนานั้นค่อยๆเสื่อมสูญไปเรื่อยๆและก็เตือนพวกเราทั้งหลายว่าพวกเธออย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในข้อวัดปฏิบัติของท่าน บางคนมักจะสงสัยว่ า, าพุทธวจนะนั้นมักจะตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะแต่พระตถาคตเคยบอกว่ า, าการที่ท่านเทศบอกสอนกับใครเนี่ยสั่งสอนใครนั้นเนี่ยไม่ได้ปารพกับบุคคลผู้ฟังค น, คนนั้นคนเดียวหรือกลุ่มกลุ่มเดียวเท่านั้นแต่พระองค์เนี่ยเผื่อกับมหาชนทั้งหลายด้วย เพราะฉะนั้นไม่ว่าพระองค์จะตรัสกับพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายปริพาชกลทัทธิอื่นหรือยาจกขอทานหรือพรมหรือเทวดาใครก็ตามนั่นเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์มากที่สุดเป็นถ้อยคำของผู้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องที่จะบ่งบอกวิธีหรือหนทางที่จะเข้าไปสู่ความไม่ตายว่า การเข้าถึงความไม่ตายไม่ต้องตายอีกต่อไปคือวิมุตหรือนิพานนั้นมีข้อปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะตรัส ก, กับใครก็ตามนะพระตถาคตจะต้องทำคำพูดให้สอดรับกันทั้งหมดนั่นก็คือไม่ว่าท่านจะพูดกับคนธรรมดาพรามกษัตรย์แพทย์สูตรหรือพรมหรือเทวดาก็ตามนั่นเป็นถ้อยคา ที่เป็นสัจจะความจริงซึ่งสัจจะความจริงนั้นจะต้องมีความสอดรับกันทั้งหมดธรรมะของพระธถาคตเป็นเรื่องจริงเป็นสัจจะความจริงของธรรมชาติภายใต้สัจจะความจริงนั้นมีทั้งง่ายมีทั้งปานกลางมีทั้งยากเพราะฉะนั้นเวลาเราจะศึกษาคำของพระธถาคตนั้นมันก็อยู่ที่อินทรีย์บารมีและภูมิธรรมของเรา ว่ามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นเป็นประการหนึ่งเมื่อเราอ่านไปแล้วยังไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนยังไม่ต้องรีบที่จะเข้าใจหรือรู้ถึงปัญหาที่เราติดขัดขัดข้องในเวลานั้นก็ได้แต่เมื่ออ่านไปอ่านไปนะในพุทธวจนะบทที่ง่ายๆง่ายๆแล้วตรงนั้นจะเป็นตัวช่วยเสริมความเข้าใจของเรา ไปตามลำดับขั้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเราสามารถที่จะทำความเข้าใจกับพุทธวจนะบททีย่ยากขึ้นยากขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะท่านยืนยันว่าคำของท่านนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะไม่ต้องไปศึกษาจากคำของใครไม่ต้องมีการขยายความจากใครคนใดคนหนึ่งนะไม่มีอุบายที่ดีกว่าแยบคายกว่าไม่ สาวกไม่ต้องคิดเพราะอุบายที่ดีที่สุดการอธิบายที่ดีที่สุดอุปมาที่ดีที่สุดพระตถาคตผู้เป็นสัพพัญญูคิดไว้หมดเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงบอกเราว่าอย่าเติมอย่าตัดคําของพระองค์นะเพียงแต่สมาทานศึกษาในสิ่งที่องค์บอกสอนเอาไว้เท่านั้นและถ้าเราค่อยๆศึกษาไปนะอ่านไป ปฏิบัติไปตามคำของพระธถาคกฏก็เชื่อได้ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจคำของพระธถาคตและนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แน่นอนมนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิ ด, ผด มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใด ถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรค ประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั่นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสั์ ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัทถีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัทถีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ส่งช้อนขึ้นด้วยปลายพระนาขานี้เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้นเมื่อนําเข้าไปเทียบกับมหาปัตถภีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสอริยสัจสี่อย่างไรเล่าสอย่างคืออริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกอริยสัจ คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัยพระอริยบุคคลจึงมีปริมาณมากวัดฉะภิกษุผู้สาวกของเราบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้กระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชระภิกษุณีผู้สาวิกาของเรา บรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายได้กระทําให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองไม่ใช่300ร้ไม่ใช่400ร้อไม่ใช่ห้า้มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้ วัชชะอุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นขฤรือหัดนุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติปรมจรรย์เป็นโอปปาติกะสัตว์มีปกติปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญญโ์มีส่วนในเบื้องต่ำห้าอย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นขรือหัดนุ่งขาวยังบริโภคกามเป็นผู้ทำตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรนี่อะไร เป็นผู้ปราศจากความคลั่นคล้ามไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นอยู่ประพฤติ ร, รมจัน a ์ในศาสนาของพระศาสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัดชะอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงคฤาเรื่หัดนุ่งขาว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 อุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงครืหัดนุ่งขาวยังบริโภคการมเป็นผู้ทำตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรนี่อะไรเป็นผู้ปราศจากความครั่นคล้ามไม่ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่น อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่โดยมากกว่ามากเป็นแท้สำหรับเรื่องนี้นี่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าการบรรลุพระนิพพานนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะ สาวกของพระตถาคตที่บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็มีเป็นจำนวนมากนะที่เป็นพระละหันก็มีเป็นจำนวนหลายร้อยที่เป็นพระอนาคามีก็มีจำนวนหลายร้อยที่เป็นพระสกะทาคามีพระโสดาบันนะเป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาผู้ประพฤติพรมจรนะเพราะมีศรัทธานะในพระตถาคต ก็มีอยู่จำนวนหลายร้อยซึ่งคนพวกนี้นี่ก็เป็นปุถุชนมาทั้งนั้นนะไม่ได้เป็นคนที่มีความเลิศความพิเศษอะไรต่างไปจากพวกเราทั้งหลายเลยนะต่างก็ล้วนเป็นปุถุชนนะเคยทำบาปทำกรรมนะกันมาแล้วทั้งนั้นนะทำทั้งบุญทำทั้งบาปแต่ก็เมื่อได้ยินคำของพระศาสดาก็สามารถที่จะ เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะคําว่าเจโตวิมุตต์หรือปัญญาวิมุตต์ก็คือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานโดยใช้สมาธิบ้างโดยใช้ปัญญาบ้างเป็นส่วนใหญ่นะแต่ทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ก็ล้วนแต่ต้องใช้อินทรียบารมีในทุกๆด้านเหมือนกันแต่น้ําหนักจะเน้นไปใน ทางใดมากกว่าเท่านั้นส่วนคาว่าการไม่มีอาสะวะก็คือการสิ้นไปซึ่งกิเลสสิ้นไปซึ่งตัณหาซึ่งความยึดมั่นทั้งปวงในขันธ์ทั้งห้า